บ o o k 2 13 13ามกิจกรรมนนมาท่าทำอะไรโจโรบ m มา t a เธอทำงานในสำนักงาน ปร a ท้วงค่าเลี้ยงชีเธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ประท้วงปุจิตาชมมาท่าอยู่ที่ไหนจีมาต้าที่โรงหนังกินเน e เธอกำลังดูหนัง p o เซ r าซาน a า i ิล ปีเตอร์ทำอะไรช่วยรบีปเตอร์เขากาลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศึกษาในิเขากาลังเรียนภาษาศึกษาภาษาปีเตอร์อยู่ไหนย ที่ร้านกาแฟเขากำลังดื่มกาแฟ พ, าวพวกเขาชอบไปไหนกัมรัิโเดียไปดูคอนเสิร์ตนาคอนเสิร์ตพวกเขาชอบฟังดนตรี ร่ายิปู้ชูวายูฮุดบูพวกเขาไม่ชอบไปไหนกำเนียรู้จ a รายิไปดิสโก้นัดดิสโกเทกพวกเขาไม่ชอบเต้นรำเนีายิตันซูย